หมดเลยนะให้ความอยากความยึดในมันตัวตัวที่ทำให้สติยากที่จะเกิดขึ้นได้เพราะมันถลำมเข้าไปนะในความหลงเสียแล้วความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นไม่ได้เว้นแต่มีอะไรที่จะกระตุ้นให้สติสัมปชัญญะคือความระลึกได้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่พอมันได้ระบายแล้วถึงค่อยรู้สึกตัว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 สตินี่ถึงเรียกเป็นอุบายเป็นกลวิธีในการสลายความสําคัญบหมายตัวตนที่สําคัญมากพนะพุทธเจ้าได้ตรัสกับภัยะภัยยะนี่ก็เป็นนอกบวชนอกาศาสนาที่หันมาหันมาศรัทธานในพระพุทธเจ้าก็มาขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมในขณะที่พระองค์กําลังบินทบาทที่แลพกพระองค์ก็ไม่ปรารถนาจะแสดงธรรมกาลังบินทบาทอยู่แต่เช้าเลย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 เห็นผู้ดินเสียงอันนี้ก็คือสติก็จะทําทให้เป็นผู้ที่ใกล้ใกล้พระพุทธเจ้านั้นเวลาเรามีสติเนี่ยเราถึงได้ทําที่เป็นเครื่องรักษาใจที่มีค่ามากทั้งช่วยให้ได้ใกล้พระพุทธเจ้าและทั้งช่วยให้ได้ใกล้พันิชภานะเพราะว่าไอตัวตนนี่มันก็จะไม่มีที่ตั้งความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูของกูไม่มีที่ตั้ง